ที่ส่วนสักครู่นะเป็นเป็นภาพพิธีกรรมซึ่งชาวพุทธเราก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคล น, นะตพวกเราได้โดยเพราะหลังจากที่ได้มีการพรมน้ำมนต์ให้กับพวกเราซึ่งจะอยู่ท้ายรายการชาวพุทธเราเนี่ยมีความเชื่อว่าการที่เรามาพร้อมใจกัน บังเพงนกุศลในวันนี้เนี่ยมันมีอ น, นิสงค์ทําให้เกิดสิริมงคลกับพวกเราทําให้เกิดความสุขความเจริญทําให้มีอายุวันณะสุขภาระยิ่งมีพระมาเจริญพระพุทธมนต์มนที่ว่าเนี่นะก็คือกรรสารเสรเิญพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าหรือที่เรียกว่าพระรัตนตรัย นะนะคำที่เอ่ยเนี่ยนะเมื่อเราสดับฟังนะด้วยความตั้งใจแม้เราจะไม่รู้ความหมายนะแต่ถ้าว่าทำให้ใจเราสงบเกิดสัทธาในพระตน้ำไตรเนี่ยก็ทำให้ใจเราเป็นบุญนะอย่างแล้วก็ตามเนี่ยบุญที่เกิดจากการฟังพระสวดหรือว่าเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าเรารดน้ําต้นไม้เมื่อเราเริ่มเอาต้นไม้ลงดินเวลาเราเจะเอาต้นไม้เนี่ยลงดินนะเราก็ต้องครวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะอันนี้ประเทศไทยนะถ้าเป็นที่นี่ก็คนเราแบกมาทั้งยันเราหยั่ต้นไม้ลงไปแล้วเราก็รดน้ำนะแต่ว่า แค่ลดน้ำวันเดียวไม้พอนะต้องรดหลายวันรดทุกวันก็ว่าได้สิริมงคลก็เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนิมนต์พระมาทุกวันนะเรานิมนต์พระมาวันนี้นะเป็นการประเดิมเมื่อสริมงคลเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามดูแลรักษาสริมงคลนั้นให้เจริญงอกงามทำอย่างไรนะก็โดยการทำความดีนะ ด้วยการทำความดีด้วยการรักษาศีลซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็สมาทานศีลถ้าเราสมาทานด้วยความตั้งใจแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาศีลเป็นเรื่องกายวาจาก็จะเกิดสิริมงคลนะเกิดบุญกุศลกับชีวิตของเราบุญกุศลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรามาทอดพระปาทอดกถินนะ หรือว่าใส่บาตรเท่านั้นนะถึงแม้เราจะไม่มีโอกาสใส่บาตรไม่มีโอกาสทอดประภาทอดกริ่เพราว่าอยู่ต่างแดนอยู่ไกลวัดแต่เราก็สามารถสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับเราสร้างบุญกุศลได้นะด้วยการทําความดีและความยิ่งใหญ่เนื้อคือการรักษาศีลศีลเนี่ยไม่ต้องมากนะศีลห้า5้าข้อเนี่ยก็จะช่วยคุ้มครองเราให้ปลอดภัย ไกลาจากความทุกข์ได้มากทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเพียงแค่เราถือสี่ข้อ5ข้อเดียวนะไม่กินเหล้าเมายาไม่เกี่ยวข้องกับสุรายาเสพติดเนี่ยโอ้มันจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเลยนะคนที่เขาเจ็บป่วยนะพะเขากินเหล้าสูบบุหรี่จะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโลคมะเร็งปอดนี่ถ้าเราไม่แตกต้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยสุขภาพเราก็จ ะ, ะมีหลักประกัน บางคนเขาอา จ, จะประสบเคราะห์เพราะว่ า, าขับรถนะเกิดอุบัติเหตุนะเพราะความเมามายขับรถชนต้นไมนะ้หรือว่าไปขับรถชนคนอื่นเพราะความเมาไมายแต่ถ้าเรารักษาศิ้นดีศี้ข้อ5ข้อเดียวปัญหานี้ก็ไม่เกิดกับเราเรียกว่าเป็นศูนย์ไปเลยนะไอ้ความอุบัติเหตุเพราะความเมามายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ที่จะพิการนะ เอุบัติเหตุสืบเนื่องจากการเมาแล้วขับนี่ก็เป็นการตัดทิ้งไปนะเมื่อเราไม่กินเหล้าเราก็มีเงินเหลือนะเงินเหลือไม่พอนะ้วยังทําให้เรามีเรี่ยวแรงทํางานด้วยดันะั้การที่เราจะประสบความเจริญในอาชีพการงานเนี่ยก็เป็นไปได้นะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากเพียงแท่เรานะไม่แต่ต้อง เราไม่แต่ต้องพ่วงยาเสพติดพวกนี้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นบุญนะบุญที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่ว่าจะต้องม า, มาทำบุญกับพระนะแค่เรารักษาศีลให้ดีเนี่ยแค่ข้อเดียวเนี่ยที่ตมาพูดมาสุขภาพก็ดีนะมีเงินเก็บแล้วก็มีเรี่ยวแรงทำงานเพราะไม่ตื่นสายไม่เมามาย และความสัมพันธ์กับเพื่อนกับคนรักครอบครัวก็ดีไม่มีการทะเลาะวิวาดจนทั่งถึงขั้นตบตีกันเพราะความเมาไมยาฉะนั้นจะได้ว่าความทุกข์อุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใครต่อใครเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะหากว่าเราเนี่ยครองสติดีแล้วเราครองสติดได้ก็เพราะเรารักษาสี่ข้อ5เพียงแค่ข้อเดียวแต่ว่ามันมีสี่อีกสีข้อนะที่เรารักษา ที่เราควรรักษาเรารักษาได้เราก็จะเกิดความสุขความเจริญนะอันนี้แหละคือสิริมงคลนั้นแหะคือบุญกุศลที่เราสามารถจะทำทุกๆทาได้ทุกวันนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะปลูกให้ดียังไงในวันแรกเราจะลงไม้ให้ดียังไงนะมีคนมาพลวนดินให้เรามีคนมารดน้ำให้เรานะแต่ถ้าวันต่อๆไปเราไม่ลดเองนะต้นไม้ก็ตาย ต้นไม้เนี่ยก็เปรียบเหมือนสรีบมงคล น, นะที่เราต้องเลี้ยงที่เราต้องบมรุงทุกวันด้วยการทำความดีนะะความดีเนี่ยไม่ใช่มีแค่แค่สีนห้านะมีอื่นมีอย่างอื่นอีก น, นะเช่นการให้ทานนะความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็ห่างไกลจากญาติพี่น้องห่างไกลจากพ่อแม่ห่างไกลจากครอบครัว แต่ว่าเราสามารถจะสร้างกลรยนานมิตนะสร้างชุมชนแห่งการยนานมิตขึ้นมาได้แลพวกเราในที่นี้เนี่ยก็สามารถเป็นการยนานมิตให้กับกันและกันได้แล้วถ้าเรารู้จักนะคบเพื่อ ด, ดีเนี่ยนะอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะที่มิเกตามาสวดเนี่ย แต่ส่วนมงคลสูตรดนะมงคลสูตรเนี่ยคือมองคลสูงสุดสามสิบแปดประการข้อแรกเลยนะคือการไม่คบคนพาล น, นะเพียงแค่เราไม่คบคนพาลเนี่ยเราก็ก็เกิดมงคลกับชีวิตของเราแล้วแล้วถ้าเราจับคบเพื่อนดีนะก็จะเป็นมงคลประการที่สองนะคบเพื่อนดีเนี่ยนะจะคบได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หวังว่าจะมีคนดีมาหาเราแต่ว่า ยังรวมถึงว่าเราทำความดีกับผู้อื่นด้วยเมื่อเราทำความดีกับผู้อื่นนะเราก็เกิดการยึดยงเหนี่ยวนาประสานน้ำใจกันทำให้เกิดความเป็นเพื่อนขึ้ น, นมาได้คนบางคนเนี่ยเขาอาจจะรังแกเรานะแต่ถ้าหากว่าเรามีน้ำใจเป่กับ เ, เขาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนดีหรือว่าเป็นเพื่อนของเราได้ พวกเรารู้จักใครนะสตีเฟนสปิลเบิร์กชอบดูนนหนังบ้างไหมสตีเฟนสปิลเบิร์กนำเข้าเรื่องนันะสตีเฟนสปลเบิร์กทเรื่องอะไรจุลสิคพาจุลสิวนะตอนนี้กำลังจะเข้าเข้าโรงนะจุลสิคพานะถ้าลรือตามาเนี่ยต้องจอจอเนี่ยเขาทเรื่องแรก เขาเป็นพ่อมดของเอร์เรูลเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่เขาเอายุสิบสามขวบนะเขาไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่าเข า, เขามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชอบรังแกเขานะหมอเนี่ยประมาณสิบเจ็ดนะตัวใหญ่เขาชอบรังแกเขานะเขาเจอคนอย่างนี้ทําไงก็ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าถูกแกล้งถูกนะขม่ม แล้ววันหนึ่งเขาคิดว่าจะต้องแก้ปัญหานี้เขาแก้ยังไง ร, รู้ไหมเขาก็ไปหาไอ้คนเนี้ยเจ้าหมอนเนี้ยเราก็บอกว่าเขากําลังจะสร้างหนังทําวิดีโอนะเขา23เนี้ยเขาทำเริ่มทําหนังแล้วนะก็มีกล้องวิดีโอหรือกล้องหรือตัวหนึ่งตัวบอกเนี้ยก็จะทําหนังเรื่องตามหน้านาซีแต่ขาดพระเอกนะขาดพระเอจกจะมาเป็นพระเอกฉันได้ไหมไอ้นี่ก็หมอที่ก็งง ง, งนะันทีแล้วจาเอา สเตเฟนสตูเบอร์จะมาไม้ไหนนะแต่ตอนหลังก็เออเขตกลงนะมาเป็นพระเอกให้ก็ได้ก็ทําหนังอยู่ประมาณ3วันนะหนังสั้นปรากฏว่าทำพอทําหนังจบนะกลายเป็นเพื่อนกันเลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเลยจากที่เคยแกล้งเขาเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนที่คอยช่วยปกป้องเขานะมีอะไรก็ช่วยมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเขาพ่อหลายคนเะพราะว่า คนคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรดีเขาเขาเด่นทางทางดีไม่ได้ก็ต้องไปเด่นทางทางร้ายนะก็ก็เลยชอบบังแกงเด็กตัวเล็ ก, ลกนะแต่พอเขารู้ว่าเขามีอะไรดีนะการที่ส t e เฟนสตีเ e ิร์บเปิดโอกาสให้เ้ามาแสดงหนังเนี่ยเขาก็รู้สว่าเขาเนี่ยมีอะไรดีนะเขาก็เลยเกิดชอบเกิดรักนะนับถือน้าใจสเ e เฟนสตีเวิร์ ไอ้ที่เคยแกลงเคยรังแกงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนอา น, นี้ก็เรียกว่าเพื่อนดีมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะจากการที่เรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเขานะคนที่เกเรคนที่เป็นแม้ก็ท้องเป็นอตาตพาเนี่ยก็สามารถจะเป็นคนดีได้ด้วยการที่เราเนี่ยเอื้อเฟื้อเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเรื่องความดีเนี่ยนะมันมันมีอานิสงส์นะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขความเจริญได้ พวกเรามานี่เนี่ยนะนะห่างไกลอย่างที่ตมาบอกไว้แล้วนะห่างไกลครอบครัวนะผู้คนก็เป็นห่วงเรานะสถานทูตก็เป็นห่วงพวกเรานะที่นี่มรตมามาเพราะว่าสาทางสถานทูตเนี่ยก็ได้ทราบว่าทางอัตมานี่มาบรรยายอยู่ที่ประเทศยุโรปเนี่ยนะมาได้สามสี่อาทิตย์ละแล้วก็ใกล้จะกลับลและเมื่ก่อนจะกลับเมืองไทยก็ทางท่านทูตก็ นีม่มเหสัตตมามามาเยื่ยมเยียนพวกเรานะเพื่อมาสนทนาพูดคุยแล้วก็แนะนำนะข้อคิดในการดําเงินช่วยกับพวกเรานอกจากสถานที่จะเป็นห่วงพวกเราแล้วนี่ก็คนที่บ้านนะคนที่บ้านเราก็เป็นห่วงพวกเรานะเพราะเราทุกคนเนี่ยคนเ้าแต่มีคนรักที่อยู่อยู่ที่เมืองไทยกันทั้งนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นภรรยาสามีเป็นลูกหรือเพื่อนเขาห่วงเรานะ เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือว่ารักษารักษาตัวให้ดีนะรักษากายรักษาใจของเราให้ดีนะเพื่อที่เราจะได้นะกลับไปนะกลับไปสู่อ้อมกอดของเขานะรานนี้เราจะรักษากายรักษาใจให้ดีเนี่ยไอ้เรื่องการรักษากายเนี่ยนอกเหนือจากการกินอาหารที่ถูกต้องการออกกาลังกายการรู้จักพักผ่อนแล้วเนี่ย การรักษากายอย่างหนึ่งนะก็คือนะการทำความดีอย่างที่อาจารมาพูดมาสักครู่นะการที่เรามีศีล น, นะการที่เรารักษาศีลให้ดนะีการที่เราอยู่ห่างไกลจากจยาเสพติดหรือแม้กระทั่งอบายามุขทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นการรักษากายแบบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าอบายามุขเนี่ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยบางทีเสียผู้เสียคนสุขภาพย่ำแย่ อบายมุกที่มันไม่ใช่มีแต่เหล้านะไม่ได้มีแต่บุหรี่ไม่ได้มีแต่การพนันนะสมัยนี้เนี่ยแม้กระทั่งเกมออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นอาบายมุกได้นะเล่นมาแล้วติดเมื่อสักสีหปีก่อนเนี่ยมีหนุ่มเ ก, ก่าหลีคนนึงนะก็ติดเกมออนไลน์จนกระทาั่งไม่เป็นอันทํา ง, งานถูกไล่ออกแทนที่จะเสียใจนะแกดีใจนะว่าตอนนี้กูได้เล่นทั้งวันแล้วนะพอแล่ออกนี่พวออกเราที่แกก็ เอาแต่เล่นเกมอะไรเล่นที่บ้านนะไม่กินไม่นอนนะอาจจะกินนะก็กินอยู่หน้าหน้าหน้าเครื่องอนะ่ะแกเล่นนอนต t อปนะไม่หยุดนะสาสิบกชั่วโมงนะปรากว่าตายตายหน้าตายขาเครื่องเลยนะเรียกว่าหัวใจวายตายมันเครียดมากเพราะว่าเล่นหนักนะ การที่เราการที่ติดเกมออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นอวัยามุกอย่างหนึ่งนะถ้ า, ากว่าเราไม่รู้จักประมาณเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพจําแย่ได้ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความหมายของตามาที่ว่าการรักษากายเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่ากินอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะนะการออกกำลังกายการพักผ่อนอย่าง น, นนะมันยังหมายถึงการที่เราไกลาจากอวัยามุกแบบนี้เลยซึ่งสมัยนี้อวัยามุกสมัยใหม่มันมีเยอะ อันนี้เราจะรักษากายเนี่ยรักษาใจก็สําคัญนะเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นใหญ่นะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทำทั้งหลายนะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจหรือถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้านคือจิตเป็นนายกายเป็นบานะ่าวการรักษาใจจึงเป็นเรื่องสําคัญเราจะรักษาใจอย่างไรนะรักษาใจไม่ให้เครียด รักษาใจไม่ให้ความให้อกุศ ล, ละจิตเนี่ยมันครอบงําสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเราเนี่ยมันมีหลายอย่างนะความเครียดความเกลียดความโกรธนะความเศร้าเสียใจนะพวกเราเนี่ยต้องพยายามรู้จักรักษาใจนะอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาครอบงำเพราะถ้าถ้ามันมาครอบงาจิตใจแล้วเนี่ยเราจะทุกข์นะบางคนโกรธนะพอโกรธมากๆนี่เป็นไงนะ มันไม่ใช่แค่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางทีเส้เลยในสมองแตกนะโกรธมากๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าไม่รักษาใจนะกายก็แย่นะความเศร้าก็เหมือนกันนะเศร้าก็ทาให้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะแล้วบางคนเศร้ามากๆเนี่ยทำยังไงบางทีทำร้ายตัวเองนะทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายเนะพราะความน้อยเนื้อต่าใจเพราะความเศร้า เรามาที่นี่เนี่ยนะการรักษาใจเป็นเราาื่องสำคัญมากนะถ้าเรารักษาใจดีนะสุขภาพเราก็ดี เ, เราจะรักษาใจยอย่างไรนะเราจะรักษาใจนะตรงนี้แหละที่ธรรมะจะมาช่วยเราได้เพราะว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยนะ เ, เวลาเรามีความโกรธนะเราก็จะรู้จักปล่อยวางความโกรธได้ คนเวลาโกรธเนี่ยนะ <_ d ata> เขาจะหวงแหนความโกรธโดยไม่รู้ตัวนะเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่เราโกรธเราจะนึกถึงคนที่เราเกลียดเนี่ยบ่อยมากเลยกินก็นึกนะนอนก็นึกบางทีนึกมากกว่านึกบ่อยกว่าพ่อแม่ของเราสิพ่อแม่นี่มีบุญ ค, คุณกับเรายัางไงเนี่ยเรายจะนึกถึงพ่อแม่เนี่ยน้อยกว่าคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียด แล้วพอเราคิดแล้วเนี่ยเรานอนหลับไหมเรากินได้ไหมเราทํางานไหวไหมแต่คนส่วนใหญ่่ทั้งที่ทั้งที่ความโกรธเนี่ยมันทําร้ายเรานะทำร้ายจิตใจเราทําร้ายร่างกายเราแต่เราก็โผลแหงความโกรธเอาไว้มจีจะมีคนแนะนําให้เราให้อภัยเขาอ่มีเพื่อนแนะนําว่าให้อภัยก็เถอะนะอะเรากลับโกรธเพื่อนนะว่าทําไมมาแนะนําเราให้อภัย อาว่าเพื่อนมาอยู่ข้างเราไม่ไปพดูดเรื่องกับเรานะถึงมาแนะนําแบบนี้ที่จริงเพื่อนก็หวังดีนะเพราะเขารู้ว่าการให้อภัยเนี่ยช่วยทำให้ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยนะเยน็นใจเราสงบนะถ้าเราไม่ให้อภัยนะเราปล่อยให้ความโกรธครอบงํานะ ม, นมันก็มันก็มีไฟสมเผาจิตใจของเราเนะี่เวลาเศร้าเสียใจเนี่ยนะเรารู้ตัวไหมว่า เรากำลังถูกความทุกข์บีบคั้นจิตใจนะเวลาเศร้ามีเพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวเราไปไหมไม่ไปจะขอนั่งเศร้านะมีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงนะเขาได้ได้จดหมายนะจากเพื่อนชายาเธอเนี่ยรักเพื่อนชายคนนี้แต่ เพื่อนชายคนนี้เนี่ยก็เพียงแค่คบกับเธอเหมือนเพื่อนนะพอเธอได้จดหมายเนี่ยเธอก็เสียใจ อ, อกหักนะก็นั่งซึมอยู่ในบ้านประเอญนะเพื่อนมาหามาก็หลายคนเลยมากดกร่ดหน้าบ้านแล้วก็มาตะโกนเรียกให้ไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวนะพอเธอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนี่เธอฉุนเลยนะนึกในใจ อที่จะมีความเวลาจะมีความสุขนะก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกนะเวลาจะทุกข์ยังมีคนมาขัดขวางอยู่นะคือเธออยากจะอยู่ในความทุกข์นะนี่เราหวงแห่งความเศร้านะและ้ะเรลาสังเกตดูดีๆนะเราเศร้าเราโกรธนี่เพราะอะไรนะเพราะใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ยกับปัจจุบันใจเราไปนึกถึงอดีตนะเพื่อนเขพูดไม่ดีกับเรา นะหรือว่าคนโกงเงินเราไปโทรศัพท์เราหายสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปเป็นอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนแทนที่เราจะปล่อยแทนที่เราจะวางมันนะเราก็กลับคิดถึงมันคิดแล้วเป็นยังไงเราก็ทุกเองใช่ไหมมีครูคนหนึ่งเนี่ยโดนโกงเงินไปนะเป็นสาเลนนะ เธอก็อยูย่ไม่มากก็อยาสักไม่ถึงสามสิบเธอก็เสียใจมากนะแล้วก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนผ่านไปเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่กินไม่นอนนะกินน้อยมากนะเป็นเดือนเลยนะแม่ก็ขอร้องให้ให้ให้กินเธอให้นอนหลับพักผ่อนเธอก็ไม่ยอมนะตอนหลังมาได้สติว่าเนี่ยเอ้นี่เรากำลังทำร้ายตัวเองนะนะ พอเริ่มได้สตินะก็เริ่มกินแล้วแต่เนี่ยลองสังเกตไหมว่าคนเราเนี่ยเวลาเราเรามัอจะบอกว่าเรารักตัวเองเรารักตัวเองนะแต่พอมีคนโกงเงินเข้าไปเนี่ยเรากินไม่ได้นอนไม่หลับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรารักเงินหรือเรารักตัวเองมากกว่ากันนะเรารักตัวเองแต่เรากลับทำร้ายตัวเองอันนี้พ่อไหมรักษาใจนะ พอเราไม่รักษาใจเน่ปล่อยให้ความเศร้าเสียใจครอบงาเนี่ยเราก็ทร้ายตัวเองกับไม่รู้ตัวแล้วเราเศร้าเสียใจกับเรื่องอะไรกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นนะไม่ปล่อยให้มันไปกับการเวลาของหายเงินหายผ่านไปเป็นเดือนแต่เราก็ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วยังกุ้มหัวกุ้มใจอยู่นะแต่ว่าอะไรนะ แต่ว่าเราไม่รักตัวเองคนอื่นเนี่ยขโมยเงินเราไปคนอื่นโกงเงินเราไปแต่ว่าเขาเอาความสุขไปจากใจเราไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะขอให้ความสุขเนี่ยมันหลุดไปจากใจแทนที่จะเสียเงินอย่างเดียวนะก็เสียใจด้วย คลร้อนนี่ถ้าจะเสียเนี่ยควรจะเสียแค่อย่างเดียวเช่นเสียเงินก็เสียแต่เงินแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้ใจเนี่ยเสียด้วยพอใจเสียไป็ น, นยังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียแล้วพอใจเสียแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นอาทำงานนะไม่มีสมาธิทํางานก็เสียงานนะแล้วพอมุหงมิดนะอารมณ์หดจอยเนี่ยมีคนมาคุยพูดไม่ถูกหูก็ว่าเพื่อนด่าเพื่อน เสียเพื่อนหนิกนะก็กลายเป็นว่าแทนที่เสียแค่อย่างเดียคือเสียเงินนะก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนหรือเสียสมรรถภาพอาจจะไม่ได้ไวยวายใส่เพื่อนแต่โวยวายใส่ใส่ลูกใส่คนรักนะถ้าเป็นเมืองไทยก็ไวไวยวายใส่พ่อแม่นี่เราเสียสมรรถภาพอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะคนอื่นเนี่ยทำได้ยามากก็ขโมยเงินเราไปโกงเงินเราไป แต่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเนี่ยเราทำเองทั้ง น, นั้นนะแล้อย่างนี้เราคิได้ว่าเราลักเตืเอนแน่นั้มอย่างเงี้ยเรียกแล้วว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองนะและที่เราทำร้ายตัวเองเพราะว่าเราไม่รักษาใจของเรานะเราปล่อยให้ใจนี่ยมาเป็นนึกถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีก็ยังนึกถึงนะมันก็เลยกลายเป็นการทาร้ายตัวเอง อันนี้แหะคือความหมายที่จะมาว่าเราไม่รักษาใจนะให้เรามาอยู่ที่นี่อยู่ไกลบ้านไกลไกลพ่อแม่เนี่ยนะไกลคนรักเนี่ยเขาเป็นห่วงใจเราเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราให้ได้นะไม่ใช่แค่รักษากายเท่านั้นถ้ารักษาใจนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะก็พอให้มันผ่านเลยไปให้เราตั้งสตินะอยู่กับปัจจุบันนะใจเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะมันจะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยห่างไกลาจากความเศร้าความความเสียใจขาเดเลยการสิ่งที่มาไม่ถึงก็อย่าไปกังวลนะเพราะถ้าเรานึกถึงสิ่งที่มาไม่ถึงนะเราเกิดอะไรขึ้นเราเกิดความวิตกเกิดความกังวลทุกครั้งที่เราเกิดความกังวลเนี่ยเราสังเกตมาว่ามันเป็นเพราะเรานึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะ อาจจะนึกถึงนี่ที่ยังไม่ได้จ่ายนะอาจจะนึกถึงพ่อแม่นะที่เอยังไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากนะแต่พอพ่อแม่เนี่ยนะบอกว่าไปหาหมอหมอบอกว่าอีกสามวันมารับผลเนี่ยมาฟังผลเราก็ตกใจแล้วเราก็วิตกแล้ว หรืบางทีเราเองนะั่นแหละที่ไปหามหมอเราหมอบอกว่าอีกสามวันมาฟังคนเนี่ยโอ้เราทุกเลยตลอดสามวันนะมือก็ตกนรกแล้วพอไปฟังผลจริงๆเขไม่มีอะไรนคนเราทุกเนี่ยในสิ่งที่ออมาไม่ถึงก็เยอะนะบางทีเราทํางานเนี่ยนะเราทํางานเนี่ยงานมันยืดเยื้อหลายวันเนี่ยเราก็นั่าแต่นับวันวนะันเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จ อันนี้แหละแปลว่าเรากำลังนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วเราก็ทุกขนะ์หรือบางทีเราก็ไปมองไปดูไปเปรียบเทียบคนอื่นนะคนหนึ่งก็ทำงานเบาวกว่าเราเราทางานหนักนะเพื่อนเอาเปรียบเรานะเราก็ทุกขนะ์มีเด็กคนหนึ่งนะหน้าหน้าน่าทึ่งมากประมาณสักสี่ห้าปีก่อนเนี่ยเขามีการ ม, ม, มีรายการที่ช่องท b s อนะรายการพลเมืองเด็กเขาเด็กมาสามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมนะกิจกรรมเนี่ยมีหลายอย่างแล้วแต่อทิษ์นะแล้วแต่แต่ละอทิษณ์เช่นเลี้ยงม้าบ้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้างมีคราวหนึ่งก็เด็กสามคนนี้ประมาณสิบแสิบสองเนี่ยมาทำกิจกรรมคือขนของคือรถไฟรถไฟมีเวลาที่ออกที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องช่วยกันขนให้ทันเวลาปรากฏว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจองอ่อหอขึ้นชกรจักสมจิตใช่ไหมนราชกเหรทองเด็กชายสองคนเนี่ยพอรู้เข้าก็แวบบนะไปดูสมจิตชกที่ร้านกาแฟแข้างๆสถานีก็ทิ้งให้เพื่อนเนี่ยขนของคนเดียวเพื่อนเป็นผู้หญิงนะเธอก็ขนของเนี่ยนะ ตั้งใจขนพิธีกรก็แปลกใจก็เลยไปถามเนี่ยว่าคิดยังไงที่เพื่อนทิ้งเราไปดูสมจิตชกมวยขึ้นชกนะเด็กผู้เด็กผู้หิงก็ตอบว่าก็เห็นใจเพราเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนะหนูไม่ใช่แฟนสมจิตไม่ได้สนใจมวยหนูก็เลยทํางานของหนูไปพิธีกรก็ยังไม่พอใจคำตอบนะก็เลยถามแย่นะว่าเนี่ยแล้วหนูคิดยังไง หนูไม่โกรธไม่ดา่าไม่คิดจะด่า ว, ว่าเขาเหลอที่เขาทิ้งงานให้หนูทำํำคนเดียวนะเด็กตอบดีนะเด็กตอบว่าถ้าหนูโกรธนะเด็กตอบว่าหนูขนของคึ้นรถไฟเนี่ยหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปโกรธไปด่า ว, ว่าเขาด้วยเนี่ยหนูก็เหนื่อยสองอย่างเป็วลาเราจะเหนื่อยอีกอย่างนะนะส่วนใหญ่เนี่ยเหนื่อยสองอย่างใช่ไหมคือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจ ในเวลาเด็กคนที่ฉลาดนะเธอรู้ว่าเนี่ยถ้าไปโกรธไปด่าว่าเขาเนี่ยก็จะเหนื่อยใจด้วยเด็กก็รู้ว่าถ้าจะเหนื่อยเนี่ยให้เหนื่อยอย่างเดียวนะก็คือเหนื่อยกายเธอก็เลยนะไม่คิดจะไปด่าว่าเขาไม่คิดจะไปบ่นใส่เพื่อนเธอก็ทำของเธอไปอันนี้เรียกว่ารักตัวเองนะรักตัวเองก็คือว่าไม่ซ้าเติมตัวเองนะเหนื่อยแต่กายคนที่รักตัวเองจะเหนื่อยแต่กายนะ แต่พยายามรักษาใจไม่ให้เหนื่อยด้วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะแต่ว่าไม่รักษาใจนะนะทำงานไปเหนื่อยกายด้วยใจก็ปวดไปด้วยมึงเอาเปียบกูมึงเอาเปียบ ก, ก, ย ก, กูนะมึงกินแรงกูนะไอ้เนี้ยเรียกว่าไม่รักษาใจนะปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันมันเาผาผลาญใจนะแล้วเวลาเราทํางานเนี่ยนะได้เศร้าเราทํางานหนักนะ ก็ยังไงเนี่ยให้มันเหนื่อยแต่กายนะใจอย่าเหนื่อยนะเวลาแดดร้อนเนี่ยให้ร้อนแต่กายนะใจอย่าร้อนนะให้ใจเย็นนะทำยากไหมร้อนแต่กายนะแต่ใจไม่ร้อนเนี่ยนะจะไลฟังนะเรื่องนี้เนี่ยอันนี้มีพี่คนคนหนึ่งแกเล่านะแกเล่าว่าเนี่ยวันที่วันเสาร์นะ ที่กรุงเทพมันแดดมันร้อนมากจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ขนาดอยู่ในห้องแอร์เนี่ยห้องติดแอร์เนี่ยนะก็ยังร้อนอ้าวเลยจู่ๆก็มีได้นเสียงกดกริ่งบอกว่าปลุตไปสันีเนี่ยมามาเรียกให้มารับจดหมายเธอไมห็ีเพราะอะไรเพราะาไม่อยากออกจากห้องเพราะว่าขนาดในห้องเอียงอ้าวเลยออกไปข้างนอกเนี่ยแถนไปเจอแดดนะไปรับจดหมายที่หน้าประตูนเนี่ยเจอแดด ไม่ชอบไม่เอาก็เลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่บุรุปษปรณีาชนนี่ยก็รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านก็เลยรอนะบุรุปษประชาชนรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเพราะว่าเครื่องปรับอากาศนี่มันมันดังนะไม่ได้อรอเปล่าๆนะร้องเพลงด้วยร้องเพลงลูกทุ่งนะสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องออกมารับออกมารับก็รับด้วยอารมณ์ที่ ไม่ค่อยสุนทรีเท่าไหร่นะรับเสร็จก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยแด่ร้อนแบบนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงเหรอบุรุประเสริฐคนนี้น้าตายยิ้มแย้มตอนที่หลังเนี่ยนะเหงื่อเต็มเลยนะบอกว่าโรคร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับถ้าผมร้องเพลงแล้วเนี่ยใจเย็นครับนะให้บุรุปษประเสริฐคนที่ฉลาดนะเขารู้ว่า อากาศ ร, ร้อนเนี่ยนะถ้าใจร้อนด้วยเนี่ยโอ้มันทุกเขาก็ารักษาใจด้วยการลองเพลงนะการร้องเพลงก็เป็นวิธีการารักษาใจของเขาทําให้ใจไม่ทุกทําให้ใจไม่ร้อนเพราะนั้นเนี่ยร้อนกายเนี่ยแต่ใจไม่ร้อนเนี่ยทำได้นะนะ <c oughs> อันนี้มันก็เป็นวิธีของเขาซึ่งเราก็สามารถจะทำได้วิธีของเรานะแต่งน้อยเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยนะเราเนี่ย พยายามรักษาใจของเรานะอย่าให้อย่าให้ใ ห, ให้ทุกอย่าให้ทุกใจนะมันเหนื่อยแต่กายนะก็พอละเหนื่อยแต่กายนี่ก็หนักหนาแล้วนะอย่าไปซ้ําเติมตัวเองด้วยการเหนื่อยใจด้วยนะรักษาใจซึ่งต้องอาศัยสตินนะรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น น, ะนี่คำว่ารักษาใจเนี่ยอาตมาเนี่ยหมายความอย่างนี้นะแล้วถ้าเรารักษาใจได้เนี่ยไม่เช่นห้าใจเราอยู่กับปัจจุบนัน นะไม่ไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นรวมทั้งแม่กระทั่งรู้จักมอในแง่บวกนะมอในแง่บวกนะเช่นถึงแม้ว่าเราทํางานเนี่ยมันจะร้อนนะแต่มอในแง่บวกใชเออก็คือว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีงานทํานะคนอื่นเนี่ยนะก็ไม่มีงานนะที่รายได้ดีเหมือนอย่างเรา ถ้าเราจะมองแต่ว่า อ, อากาศร้อนอะากาศร้อนหรือมันยากลาบากเนี่ยเราก็จะไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีแรงทำงานล้ไม่มีกำลังใจทำงานแต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยถึงแม้งานลำบากนะแต่ว่าอย่างน้อยเรายังมีงานทำนะและเป็นงานที่ดีด้วยนะอันนี้แหละเป็นตัวอย่างนะว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยมันก็ไม่ทุกได้ ในสารพุทธการนะมีมีมีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระบุญ น, นะพระบุญ น, นาเนี่มาลาผู้เจ้าจะไปกลับไปเมืองสุนาปันต์ผู้เจ้าก็ถามว่าทักพวงว่าคนสุนาปันต์นี่เขาดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระบุญ น, นาตอบว่าเขาด่าว่า ก็ดีที่เขาไม่ทุกตีแล้วถ้าเขาทุกตีท่านท่านจะว่าอย่างไรพระพุทธนาค์ก็ตอบว่าเขาทุกตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนหินขว้างแล้วเขาก็หินขว้างท่านจะคิดอย่างไรเขาก็หิ on, นคว้างก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาด ท, ท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาค์ก็ตอบว่าเขาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาเอามีดมาแทงแล้วถ้าเขามีดมาแทางลนะ่ะท่านจะคิดอย่างไร เขมีดมาแทงก็ดีเขาดีกว่าเขาฆ่าให้ตายนะคือพระพุทธนะบอกว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับท่านดีทั้งนั้นอันนี้พเจ้าไปถามคำถามสุท้าว่าเราท้าวฆ่าฆ่าฆ่าให้ตายเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรพระพุทธนะก็ตอบว่าคนบางคนอยากตายก็ต้องไปหามีดมาหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่ถ้าที่มีคนมาฆ่าฆ่าพระเจ้าฆ่าพระองค์ก็ดีเหมือนกันนะคือไม่เหนื่อยนะคือท่านมองว่าอะไรดีอะไรเกิดขึ้นท่านดีหมดเลยนะ เนี่เรามองแบบนี้บ้างก็ดีนะสุดท้ายเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยก็เลยอแบบนุญาตให้พระให้พระปุณนักไปเมืองสุนาร์ปันต์รากว่าไปไม่นานเนี่ยพระคุณณ์ ก, นนก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจคนสุนารปันต์ให้กลายเป็นคนที่มานับถือพุทได้แล้วกลายเป็นคนที่มีเมตตากรุณาแล้วพวกเราเนี่ยลองมองแบบนี้บ้างว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นนะแย่ ม, น ม, มงนก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ใช่ไหมลองมองแบบนี้นะไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ เรารู้สึกว่าเออเรายัางโชคดีมีเด็กคนหนึ่งนะ 24, อายุสิบสี่อาตมาพาคนไปเยี่ยมจิตอาสาพาคนไปเยี่ยมจิตอาสาคนหนึ่งก็ไปเจอเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ผมร่วมหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะเธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสามากเลยชวนจิตอาสาวาดรูปคุยดีโอภาปาสายเป็นมิตรจิตอาสาก็งงนะเธออายุห้สิบ กงงนะว่เด็กคนนี้เนี่ยเป็นมะเร็งสมองนะจะ ต, ตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าอารมณ์ดีคุยไปคุยมาเด็กบอกนะว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนมียาติคนหนึเป็นมะเร็งมดลูกปวดบ้างเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอ้โหเด็กเนี่ยนะขนาดเป็นมะเร็งสมองยังบอกว่าหนูโชคดีเลยนะเนี่ยคิดแบบพระปุณณนนาเลยนะคือเธอมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยดีทั้งนั้นดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นี้งั้นถ้าเรามองแบบนี้นะ เราจะพะว่าความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันคิดจอยมากนถ้าเทียบกับเด็กคนนี้นะโหเด็กคนนี้เป็นมะเร็งสมองนะแต่เธอยังมีอารมณ์นะว่ารูปเธอยังพูดคุยกับคนได้เนั้นถ้าเรามองเนี่ยความทุกข์ของเราเนี่ยนะไม่ว่ามันจะเป็นเพราะว่างานมันยากนะทํางานไม่หยุดหรือว่าอยู่ไกลบ้านไม่ได้เที่ยวนะแต่เราลองมองนะว่าลองมองเหตุข้อดีของมันนะ อันนี้เรามองแง่บวกแล้วเราจะพบว่าเรายังโชคดีหลายอย่างนะเรายังโชคดีอีกมากนะที่เราได้มาอยู่ตรงนี้มีคนจํำนวนมากที่อยากจะมาแบบเรานะแต่เขาไม่เข้ามาไม่ได้สิบคนเนี่ยที่อยากมาอิสราเอลเนี่ยอาตมาว่ามีแค่คนเดียวที่มาได้นะและคนนั้นก็คือเราดังนั้นะเมื่อเรามาแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเรามีโชค แล้วเราก็ก็ขอใเราเนี่ยใช้โชคนี้ให้ให้เกิดประโยชน์อย่าทำให้เสียของนะก็คือว่ามาแล้วเนี่ยล้วก็มานอกจากมาทำงานเราจะงสามารถจะเก็บห อ, อมรอมริบได้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะไปะสร้างเนื้อสร้างตัวที่เมืองไทยแน่นอนเราคงไม่อยากคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็คงจะไม่คิดจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่ น, นะอยาจะกลับไปเมืองไทย และเราถ้าไม่มีความทุกข์ที่เมืองไทยแล้วคงจะไม่มาความทุกข์ที่เมืองไทยเนี่ยนะมันทําให้เรามาที่นี่มายอมลําบากแต่ถ้าเราพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะอดทนแล้วก็พยายามรู้จักรักษาการรักษาใจอย่างที่ธรรมาว่าเนี่ยเราจะทํางานอย่างมีความสุขนะและเราก็จะได้นะได้มีโอกาสที่จะสร้างกลับไปสร้างอนาคตกลับไปลบความทุกข์ความยากความลําบากที่ผลักมาที่ผลักให้เรามามาที่นี่ คือแม้เราจะมีความทุกข์ความยากลำบากที่เมืองไทยที่ทําให้เรามาที่นี่อย่างไรนะก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปนึกแต่ว่าเราโชคไม่ดีนะที่นะที่มันมีความลําบากอย่างนั้นลองลองมาวันเนี้ยการที่เรามาเนี่ยถือว่ามีโชคนะทำให้เราได้มีโอกาสมาทํางานแล้วก็สามารถจะมีรายได้ที่ดีแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้มาเรียนรู้หลายอย่าง ที่นี่ตมาช่วยมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้หลายอย่างมากเลยนะโดยเพราะจากประเทศนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะพลิกฟื้นทะเลทรายกลายาเป็นพื้นที่สีเขียวได้เราเองก็สามารถจะพลิกฟื้นชีพพลิกฟื้นชีวิตที่ลําบากยากแค้นของเรานะให้กลายเป็นชีวิตที่เจริญงอกงามได้เหมือนกันเราก็มีขาเราก็มีมือเราก็มีสมองนะเหมือนคนซาอิอระเบียนะเหมือนคนยิว เขาทำได้เางเราก็ทำได้อย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าเรามีความเพียรพยายามอาราตะมาก็ใช้เวลาพอสมควรน ะ, ก, ะก็ขอนะท้ายสุดนี้ก็ขอนะอ้างคุณพระศรรตนนักไตรนะทำโนว ด, ดผลให้พวกเราทุกคนได้มีอายุวันนะัสุขภาระนะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะให้ไกลาจากความทุกข์อุปสรรคทั้งปวงไม่มาแพ้วพานนะสามารถที่จะก้าวข้าม ความยากลำบากทั้งหลายไปได้ด้วยวิริยะความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาสามารถที่จะพาชีวิตเราได้เข้าถึงความสุขความเจริญ น, นะมีปัญญาพาเจียวจากความทุกข์ได้บรรลุถึงความสุขเกษมสาร ม, มีพระนิพพานเะป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเท อ, อเดี๋ยวก็จะจะกรดน้ำให้พรนะพวกเราก็เตรียมกดน้ำนะกวดแห้งก็ได้ในใจ นะมันเป็นพิธีกรรมนะไอ้กวดน้ำเนี่ยเราจะกวดแห้งก็ได้ไม่ต้องกวดต่อหน้าพระก็ได้นะทําที่บ้านก็ได้ทําความดีเมื่อไหร่ก็กวดน้ําเมื่อ น, นั้นจะกวดแห้งด้วยก็ได้ยาถาวริวหาปูราบริปูเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตจินนางเพตนาบุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังทคิปเมวัสมิสตุสเพปูเรนตุสังกปะ ฉันโธปนรสโสยะถามณนีชโชติรสโสยะถาสปีธิโยวิวชัชนตุสัพโรคโควินาสตุมาเตโหะ ว, วันตรายโยสุชีธิขายุโกโหะอภิวาทานาสีริสนิจังอุทธาปัจจายโนจะตาโรธรรมวัทฐนติอายุวนโนสุขังพลัง